พ่อลองประเมินหนูแล้วนะถ้าจะเรียนทีละคนเนี่ยวันหนึ่งได้เจ็ดสิบคนอย่างมาก <c oughs> ไปถึงไหนล่ะ <c oughs> ตอนตอนนี้เกรงนิดนิดค่ะแต่เมื่อวานนี้ตอนทีเียดหลังนะคะที่อยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อแท้แท้เลยค่ะยังนับสองเลยหลวงพ่อจนกระทั่งนึกได้เอ้ยนี่นับสองถึงเบาลงอะไรคือคือเมื่อวานนี้ตอนทีเียดหลังนะคะอยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อค่ะ นูนับสองนะคะมันมีการนับสองอ่ะไม่ไม่ยอมนับหนึ่งอ่ะแล้วก็เลืขึ้นได้บอกวิ่นี่นับสองเนี่ยพอพอออกจากนับสองได้นอ้องเขาบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินเมื่อกี้นี่ทุกข์มากเหลือเกินดิ้นรนอยู่นั่นเองแล้วอย่าไปดิ้นมันสิ <c oughs> ความทุกข์ไม่มีใครทําให้นะทําเองจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ยากอะไรการปฏิบัติอนะ่ะวางสถานะเราให้ถูกเพราะเราเป็นนักเรียนนักเรีย น, นสอบได้บ้างสอบตกบ้างไม่เป็นไร เรียนไปเรื่อยๆอย่าเลิกกันแล้วกันมีบันไดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ก็พ้นทุกข์ได้ดรับสร็จแล้วนี่ลหละมาิดีครับก็การช่วยแนะนำนะครับอืตอนนี้ก็รู้สึกว่ามังไม่ค่อยตื่นไหวเราอะไรวัดเหรอว่าไม่ตื่นนะดดเวลา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 เป็นรู้โลกปัจจุบันไปไม่ต้องรู้ทุกตัวชัดๆเท่ากันหรอกพอเข้าใจไหมตรงนี้ฉะนั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมนะันเกิดตลอดวันเกิดตลอดเวลาเกิดตลอดชีวิตแหละแต่ว่าบางอันเราไม่รู้จักเราก็เห็นมาตอนนี้ไม่มีสภาวะให้ดูอันไหนเรารู้จักเราก็ว่ามีสภาวะให้ดูสภาวะบางอย่างเช่นมันว่าง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 ไปแล้วมันรู้จักสภาวะมากเข้ามากเข้านะก็ตื่นมากขึ้นมากขึ้นพ อ, อเข้าใจไห ม, ไมกําลังไปคิดอยู่ทราบไห ม, ไมรู้โลกปัจจุบันได้ใจแอบไปคิดก็รู้ทันมันตอนนี้ใจทําอะไรเมื่อกี้นี้ยเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ไ ม, ไม่ต้องทันนะให้รู้ตามหลังไม่ใช่ให้รู้ให้ทัน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 อ, อรู้ว่างงสิงนี่ยรู้ทันตัวเองเรียกว่าปฏิบัติแล้วตอนนี้มีอะไรไหม <c oughs> กําลังเที่ยวหาอยู่ทราบไหม <c oughs> เออเนี่ยมีสภาวะของการหาที่หัดรู้อย่างนี้นะอย <c oughs> รู้ลงปัจจุบันไม่มีหรอกที่ไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ความว่างไม่พูดถึงเลยนะ <c oughs> ทําอะไรจิตว่างจิตว่างจิต ว, ว่างไม่มีหรอกจิต <c oughs> มีแต่ต้องมีประกอบด้วยสภาวะอนันต์หนึ่งเรื่อยๆ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 จริงแหมอยากจะโอบกุ้มพาไปมรรคผลนิพพานให้หมดโลกเลยนะมันไปไม่ไหวตั้งแต่เช้ารู้สึกมันห่อเหี่ยวเจ้าค่ะหลวงพ่อเออจริงจริงมันห่อเหี่ยวมาแต่เมื่อวานแล้วจ้าคะ่ะแล้วแล้วทําไงดีแล้วก็ดูเจ้าคะ่ะออไปดูแล้วบางทีก็สลับกับความกังวลเจ้าคะ่ะเออนะรู้โลกปัจจุบันจิตใจห่อเหี่ยวเป็นปัญหาไหมไม่มีปัญหา คิดใจห่อเหี่ยวก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งพอใจไม่ชอบมันรู้วไม่ชอบก็ถือว่ารู้เรียบร้อยแล้วรู้ลงปัจจุบันได้แล้วแค่นี้จูงทาจะไปห่อเหี่ยวมันทําไมเสียเวลาือที่ผ่านมาเพียงต่อดูความรูปตักายค่ะ <c oughs> ว่าเป็นทุกข์เป็นก้อนธาตุแต่พอทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้ว กว่าจะตามรู้กตัวีกอีกหลายวินาทีไม่เป็นไรหลายวินาทีใช้ได้นะชั่วโมงหนึ่งเรารู้ก็ยังใช้ได้ดีกว่าไม่รู้เลยเมื่อหลายวินาทีเรารู้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่หข้อบอกต้องรู้ทันทีใช่ไหมทรายรู้เท่าที่รู้ได้ก็เราสั่งไม่ได้ว่าจงรู้เดี๋ยวนี้สั่งไม่ได้นะเป็นอนัตตาที่คุณแสมทําอยู่ถูกต้องแล้วนะซึ่งในใจเราโปงโลงไปหมดแล้ว ใจเราโปรงโล่งเบาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ได้ทําอะไรรู้สึกไหมใจอยู่ห่างๆใจเป็นคนดูที่แสนจะมีความสุขความสบายภาวานาอย่างนี้ใช้ได้แล้วจะเอาอะไรยิ่งกว่านี้ก็มีแต่แค่นี้แหละทำมากเข้ามากเข้ามากผลนิพพานมันเกิดเองเกิดเองเราทําให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมากผลนิพพานได้นะไม่มีหรอกในโลกนี้ วงไม่เอชอะไรชื่ออะไรลืมแลบูชาเออเี๋ยวไปเรียกวิชาวิชามาเมื่อวานวันนี้บูชามามจริงๆแล้วไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเขาบรรลุของเขาเองเขาบรรลุของเขาเองได้เพราะเขามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขามีปัญญาได้เพราะเราพาเขาดูกายดูใจเรื่อยๆ มันเหมือนจิตมันเหมือนลูกเรานะเราไปเรียนหนังสือแทนลูกไม่ได้หรือเราส่งลูกเข้าโรงเรียนได้จิตนี้เราให้การเรียนรู้เขาได้แต่เขาจะฉลาดสอบผ่านไม่ผ่านเนี้ยเราสั่งไม่ได้อ้วดาวก็ยังมีน้ำหนักอยู่ค่ะน้องออฟเนี่ยนหไปให้คุณแต้มสอนแล้วทําทยังไงทําไมใจเขาไม่มีน้ําหนักใจเรามีน้ําหนัก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 อะไรเกิดขึ้นรุวมไปซื้อๆไม่ต้องเก่งก็ได้อย่าไปอยากหายนะยาเส้าหมองก็เพราะเราปรุงขึ้นมาเองเหลือแล้วรู้สึกไหมการส่งไมโครโฟนขาดสตินะคือคือขนาดนี้ครับคือ น, น, คนั่งๆฟังทำอย่างนี้จิตก็มีความสงบดีแต่ก็จะมารู้อยู่พระพวกลุมหายใจแล้วก็เกิดความผึดอัดในในใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในตัวอยู่ตลอดเวลาครับ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 วิบากเขาเกิจขึ้นคือมันหนักหนักขึ้นมาแน่นแน่นเป็นทุกข์ขึ้นมาแน่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกบอกว่ามันก็เลยมามองที่กายแล้วก็มีความรู้สึกมันไม่กายบอมองกายไม่มีความสุขใจมันก็ไม่เคยมีความสุขอือใช่ข้ากลายไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขถ้าดูไปนะกายก็ไม่มีความทุกข์ใจก็ไม่มีความทุกข์นะสังเกตให้ดีสีแรกสลวงพ่บอกบางคนบอกดูลงไปสี่กายนี่มีความทุกข์บีบคั้น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 อะไรบางแต่ใจแต่ถ้าเราเราดูที่กายเราจะเห็นว่ากายเก่งอยู่ตลอดหรือว่ามีการแบบอาจจะปวดเลยแต่เราเกิดจิตเราไม่ได้สงสัยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจตรงกายนะแต่กายก็มีการแบบเกระเลงแล้วก็มีการแปลว่ายังไงมันมันปวดมันเจ็บแต่กายก็ไม่ใจก็ไม่ได้สนใจกับกายแต่กายมันก็ไม่มีความสุขมันก็เลยทําให้ใจดูไม่ค่อยมีความสุขเนความเป็นจริงนะกายหรือใจเนี่ยมีความสุขไปไม่ได้หรอก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 วิบากจะเกิดทันทีจิตจะหนักหนักแน่นๆ แ, แ, แข็งแข็งขึ้นมาทันทีมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากเคยได้ยินไหมคําเนี้สามคานี่ไหมรวมเรียกว่าไตรวัตไตรวัตตะวัตตะทั้งสามมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสคืออยากปฏิบัติมีกรรมก็คือจงใจไปดูกายจงใจไปดูจิตมีวิบากก็คือแน่นๆขึ้นมาลําบากตัวแน่นๆตัวนี้แก้ไม่ได้เพราะเป็นวิบาก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 มีความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็คือติดก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหรก็คือแน่นก็คือรู้แน่นก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติก็ไม่ได้ไม่เรายังไม่ได้ติดจัดการต้นเหตุของมันเรายังไม่เห็นความจงใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นความแน่นไม่หายเราเรายังทําเหตุอยู่ผลก็ต้องมีอยู่นะศา ส, สนาพุทธท่านสอนเรื่องเหตุกับผลต้อ เ, เคยปฏิบัติแบบแบบตามรู้ตามคิดนะครับของพุทธนะฮะคือคือเราจะคิดอะไรเราก็จะตามรู้ตาม รู้อยู่ตลอดเวลาแต่เราเป็รู้สิเพ่อพูดด้วยอ๋อไม่ฮะก็คือก็คือเคยปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะฮะก็คือแล้วทีนี้เอ่อก็คือเราก็คิดรู้อะไรก็รู้ตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้เมื่อบางีไอ้การที่เราคิดแล้วเรารู้ตามทันแต่เราก็จะลืมไอ้ปัจจุบันที่เราทําอยู่อ่ะเพราะใจมันไปอยู่กับความคิดไอ้ตรงนี้เราจะปฏิบัติยังไงครับให้รู้ทันเมื่อจิตหนีไปคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ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 บางทีอย่างเราได้ยินเสียงอะไรแววแวแวใจของเราเฉยๆนะหันไปดูอ้ออินังคนนี้กําลังด่าเราอยู่เนี่ยพอเราแปลได้ว่าอินังนี่ด่าเรานะโทรศก็เกิดเพรนั้นอาศัยการที่เราเปลีแปละนใะส่การที่เราไปคิดมนะันลําพังเสียงกระทบหูนะใจเฉย ๆ, ๆไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่พอแปลได้เนี่ยก็ เ, เกิดความยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังจริงๆเนี่ย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 ไม่ใช่ด้วยจิตตามายะปัญญาด้วยการฟังด้วยการคิดหรือจินตาเนี่ยคือการคิดสุดตาไมยาปัญญาด้วยการฟังรู้สึกไหมตอนส่งใหม่เนี่ยลืมตัวเองหัดอย่าง น, นี้นะรู้จักแล้วใช่ไหมลืมตัวเองเป็นยังไงนั่นแหละมาเรียนจากหลวงพ่อเรียน เ, อ, เอาเอาตรงนี้ให้ได้เนื้อใจเราลอยไปเราลืมตัวเองไปเรารู้ทันเนีย่ยคุณผู้หญิงผู้ชายนะั้นะนะอ่ะเบอร์ยีิบเจ็ดกับคุณผู้ชายที่นั่งติดกัน่ะ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 จริงๆทำไม่ได้มาผลนิพพานมาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเรารู้ความจริงของกายของใจแล้ววางเขาได้พอวางได้มันหมดภาระมันพนทุกเนี่ยพนทุกเพราะเหตุนี้สัง เ, เกตไหมเราจะไปบังคับและจะจงใจดูแลทราบไหมเมื่อกี้เริ่มจะจงใจแล้วจะให้ให้รหัสรู้สภาวะไปด้วยเราจะเห็นว่าเขาทำงานเขาเองเช่นเขาจะจงใจปฏิบัติเขาจงใจของเขาเอง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 ได้แค่นี้นต้องการแค่นี้ไม่เต็มก็พระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรามารู้เท่าทันกายใจของเรานะมันจะจำกัดความต้องการลงมาเหลือเท่าที่จำเป็นเราก็จะมีส่วนเกินแล้วค่ะนี่แต่เดิมเคยแต่ก็ว่าไม่พอไม่พอนะแต่ถ้าเรารู้จริงๆว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้เองมันจะเหลือส่วนเกินเยอะแยะที่จะเจือจานให้คนอื่นได้นวิถีของชาวพุธวิถีของตะวันออกนนะไม่ได้เหมือนอย่าง ฝรั่งนะเขาแข่งกันบริโภคนี่พวกเราต้องตั้งสติให้ดีนะตั้งสติให้ดีม่งั้นอนเศรษฐกิจสุดลงไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะคุ้มใจตายค่าตัวตายต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีฝึกดูจิต ด, ดูใจของเราไว้นะดูใจของเราอย่างพิทีนาสนี่มีตัวอย่างวันหนึ่งรัฐบาลปล่อยเงินบาทลอยตัวนี่เพิ่มเป็นร้อยล้านเลยนนะ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 จิตยินดีพอใจขึ้นมารู้ว่ายินดีพอใจวิปัสสนามาอยู่ที่นี้ไม่ใช่เบ้นบากหมายถึงขี้เกียจที่คลานะว่าภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างไม่เป้นบากนะการปฏิบัติแต่ว่าขาดสติไหมต้องขาดเพราะว่าอะไรเพ้าการขาดสติเป็นความจริงของเราเรารู้ตามความจริงเนี่ยว่าใจเรายังขาดสติอยู่ เออเป็นอันเดียวกันไปก่อนนะถ้าจะแยกแยะต้องไปเรียนอธิธรรมใจเนี่ยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเลยเวลาที่รู้อารมณ์นะจะรู้อย่างบางเฉียบเลยแต่จิตเนี่ยรู้อารมณ์แล้วชอบเข้าไปเสมออารมณ์ด้วยนี่พูดคร่าวๆนะพูดละเอียดลงไปเนี่ยใจมันเป็นจิตอยู่สามชนิดอะไรเงี้ยมก็พูดยาก ไม่ต้องเราดูจากของจริงปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทเราเห็นจากของจริงเช่นเราได้ยินเสียงแล้วเราแปลได้ว่าเขาว่าเรา่ความโกรธก็เกิดขึ้นมาเราก็อยากไปทุบเขาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทน้นั้นแหละมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกเกิดความอยากขึ้นมาเกิดการดิ้นรนของใจขึ้นมาการดิ้นรนของใจเรียกว่าพบ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 ยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะดูละครสมมติดูละครทีวีเห็นนางเอกสวยพระเอกหลอ่อใจเราชอบเนี่ยเรารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินะเรียกว่ารู้ทันใจตัวเองเห็นะนางเอกถูกนางอิดช้าแกล้งสงสารรู้ว่าสงสารนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเห็นะนางเอกโดนแกล้งมาตั้งแต่ตอนที่1นนะจน 3- 40ี่ตอนแล้วยังโดนแกล้งไม่เลิกในะชักโมโห นี่โง่ถาวรชักโมโหนะพอโมโหรู้ว่าโมโหนี่ก็ปฏิบัตินะเราเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้วันนี้เรียกให้ลูกมากินข้าวมันก็วิ่งมากินเลยนะเคี้ยวตุ้ยตุ้ ย, ยรู้สึกน่ารักนะรู้ว่าเรารักละนะอีกวันหนึ่งเรียกให้มากินก็ไม่กินนะชักโมโหไปลากตัวมากินเอาข้าวยัดปากคล้ายๆเขาเลี้ยงงูเคยเห็นไหมเขาเลี้ยงงูนะจต่พอทิ่มเอามือบีบน้ำทิ่มชิบเนื้อแล้วก็ยัดใส่ บางทีเราก็ยัดข้าวใส่ปากเด็กนะเด็กมันไปอมไหมเนีย่ยิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกมันไม่ยอมเคี้ยวไม่ฝึกอยู่กับบ้านก็ทำได้กวาดบ้านก็ทำได้นะกวาดบ้านไปแล้วโอ้บ้านเราสะอาดมีความสุขรู้ว่ามีความสุขอย่างนี้ใช่ได้กวาดบ้านไปแล้วเห็นตรงนี้ก็มีฝุ่นซ่อนไว้ตรงนี้ก็ฝุ่นซ่อนไว้นะชักโมโหแล้วว่าทุกคนมาช่วยกันทาความสุขกับปลกเราต้องมาทาความสะอาดคนเดียวนี่ชักโมโหรู้ว่าโมโห เนี่ยหัดดูความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้นะทั้งวันเลยดูไปเราค้าขายก็ได้นะที่สุรินนะเมื่อก่อนนี้ยี่สิบกว่าปีก่อนมีแม่ค้าขายผักคนหนึ่งชื่อแม่สะเกียวแม่สกยวนี่ภาวนาเก่งมากเลยผักแกสดนะแกก็สดชื่นนะผักแกเหี่ยวแกก็สดชื่นอีกนะเออแกไม่เหี่ยวตามผักของแกขายผักแกขายผักแกก็ดูใจของแกไปเรื่อยนะคนมาซื้อเยอะแกดีใจแกก็ดูไป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 เังนั้นทำอะไรก็ได้สามารถจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ยกเว้นยกเว้นมีข้อยงเว้นพวกที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยทำไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดนะจะมาจะเจริญสติไม่ได้เพราะขณะนั้นต้องไปรู้เรื่องงานที่คิดแต่ว่าพอเราทำงานไปช่วงหนึ่งสมมติว่าคนมาชมว่างานเราดีเราดีใจเรารู้ว่าดีใจ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 เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากส่วนพวกปัญหารจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องดูกายเพราะกายนี้ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายเพะงั้นพวกเราหัดดูความรู้สึกดูจิตนี้ถามว่าดูอะไรอยู่ๆไปดูตัวจิตได้ไหมดูไม่ได้นะแต่ดูตัวจิตไม่ได้หรอกเพราะจิตเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีอะไรให้ดูได้เลย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 นะคือร่างกายของจิตไดนะ้แกความรู้สึกทั้งหลายนั่นเองนะเขาเรียกว่านามกายนะมีชื่อเพราะงั้นอย่างเราดูจิตเกิดดับไม่ได้เราก็เห็นเลยนะเออจิตที่โกรธมันเกิดแล้วดับจิตที่โลภมันเกิดแล้วดับนะเห็นอย่างนี้เห็นได้ต่อไปมันจะค่อยๆแยกแย ะ, แยะออกไปความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกอันนี้นจะไปเจอตัวจิตจริงๆไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีรูปลัาษอะไรใดทั้งสิ้นเลยเป็นแต่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเอง เราจะเจอจิตจริงๆต่อเมื่ออริยามรรคเกิดตอนที่อริยามรรคเกิดจิตที่เป็นอิสระไม่มีอะไรห่อหุ้มเนี้ยโผล่ออกมาฉะนั้นตอนนี้ที่เราว่าดูจิตดูจิตนจริงๆเราดูเจตสิกดูความรู้สึกไปก่อนนี่คนไหนดูความรู้สึกชำนิชำนานนะหลวงพ่อบางทีก็สอนให้ดูจิตที่เกิดดับทางสวรรค์ทั้งหกเห็นไหมมันต้องไปยิงอะไรสักอย่างหนึ่งแราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้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 รู้ไปเรืเ่อยๆรู้ไปเรืเ่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่นะรู้ทุกวันทุกวันนั่นแหละถ้าทำได้อย่างนี้นะการปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวเลยเพราะทำแบบไม่หวังผลได้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้ผลก็ช่างมันมีสติอยู่ในชีวิตประจำมันก็มีความสุขอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคันทินพย ม, มีแค่มีสติก็มีความสุขแล้วนะ มีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขมีวิมุติก็มีความสุขแต่ไม่มีกุศลเมื่อไหร่มีความสุขอ่ะกุศลเป็นชื่อของความสุขอ่ะนะเป็นบุญเป็นกุศลมันเกิดเองมันเกิดเองนะเราฝึกไปเรื่อยฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดได้องประหลาดนะฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆเถอะตัวเองไม่ได้มาก็เอาซีดีไปฟังนะ คนที่ฟังฟังแล้วสติเกิดขึ้นมานี่เยอะแยะนะนับไม่ถูกแล้วตอนนี้อาจารครับอย่ยงที่กาจารย์บอกดูจิตดูเงี้ยถึงว่าเราเห็นจิตเรารู้ว่าเนี่ยบ้านโสกโปกแต่รู้อยู่ว่าโสกโปกแต่ไม่ได้กวาดมันเป็นไงเหมือนว่ามันก็เรารู้ว่าจิตเราเนี่ยเรากําลังขี้เกียจอะเรารู้ดูอยู่เรารู้ขี้เกียจแต่มันจะทํำไงให้มันขยันนะครับเราไม่ได้ฝึกให้ขยันนะฝึกให้ขยันมันก็ต้องไปฝึกอย่างอื่นเช่นมีวินัยกับตัวเอง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 เราบังคับทํำใจให้ทื่อๆอหลวงพ่อทาหน้าให้ดูแล้วเราทำนี้แต่เราแกลกดมันไว้นิ่งๆอยู่อันหนึงอย่าไปแกล้งทํานะการทํากรรมฐานไม่ได้แกล้งทําให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นทิงไม่ใช่ให้เราดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะเด็กเสื้อเขียวว่าไปค่ะหลวงพ่อก็ตอนช่วงหลังมานี้รู้สึก บ, บังคับตัวเองน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีอึดอดัดอึดอัดอยู่ค่ะ ก็อึดอัดน้อยลงแหละบังคับน้อยลงก็อึดอัดน้อยลงหลวงพ่อช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับือจะให้แน่อะไรอ่ะก็อย่างเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นเยอะอ่ะครับสังเกตไหมใจเราทื่อๆตอนนี้เอออย่าไปข่มมันไว้สิกิเลสเกิดเยอะก็อย่าไปกลัวมัน กิเลสเกิดนะปัญญาก็เกิดได้นะสติก็เกิดได้พอมีกิเลสขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันมีปัญญาเห็นความจริงว่ากิเลสห้ามมันไม่ได้และกิเลสอยู่ชั่วครากิเลสก็ดับไปมีปัญญาไม่ไปกลัวกิเลสกลัวจนหงอแล้วเราไปบังคับใจให้นิ่งๆเพราะเรากลัวนะอี่ย ก, กลัวมันกิเลสมาทางไหนสติปัญญาก็มาทางนั้นแหละเผลอแล้วรู้ไหมตอนส่งไมโครโฟนขาดสติ หลวงพ่อใครดักเล่นงานตอนเนี้ยได้ผลเกือบทุกคนอ่ะค่ะหลวงพ่อเพิ่งเริ่มหัดนะคะอยากจะขอคำแนะนำากหลวงพ่อไม่มีอะไรนะเอาหลวงพ่อเหมาเลยนะพวกที่เริ่มหัดนะเยอะนะแต่ละวันไม่ต้องทําอะไรมากนะหัดรู้ใจของเราไปจิตใจเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลอกุศลหัดรู้ไปเรื่อยๆใครเคยทากรรมฐานอะไรก็ทําต่อไป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 ทำไมสติเกิดเองเพระาะจิตมันรู้สภาวะเ น, นี่ยตอนเนี้ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใช่หนีไปแล้วรู้ไห ม, มหัดอย่างนี้นะหัดรู้จักอย่างเนี้ยไปส่งต่อไปแล้วไปหัดต่อเอา ข, ขอเล่นถาอย่างหนึงได้ไหมคะว่าไหมคือมีอยู่คืนนึ่งนอนๆแล้วมันก็คิดว่าหยุดก่อนหยุดก่อนตอนที่เล่าเนี่ยใจเลื่อนลอยไปแล้วรู้สึกไหมใจชักจะเคลิม้มเคลิมไปหาอดีตแล้วรู้สึกไหมค่ะอา้าวเล่าต่อไป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 นึก อ, ออกไหมเออนี่กลับมารู้สึกตัวได้แล้วอายกให้อีกเอาคืนได้ด้วยนะเอ้าว่าไปอ่าตื่นเต้นเลยแล้วไน แ, แ, แล้วก็เผลอบ่อยเออเผลอบ่อยดีแล้วใจมันสใสแข่งสายเยอะมากเข้ามาในนี้ยิ่งใสตอนเขาเปิดประตูใสมันเปิป้ลเ ป, อปอเออดีที่เห็น นั่นแหละมาฝึกกรรมฐานก็คือมาฝึกรู้ทันใจของเราเองเห็นใจมันสาตามประตูไปได้ก็ดีแล้วทุกวันนะพยายามไปนั่งหน้าศูนย์การคา้าเวลาะเขเปิดประตูดูมันใสาย อ, นนอะไรก็ได้กรรมฐานน่ะเห็นะไหมไม่เลือกหรอกถ้าเห็นใจมันสายก็ใช้ได้แล้วก็ตอนเนี้เริ่มมาเริ่มใจแปลกๆค่ะเพราะว่าตอนคืนก่อนนอนก็จะเริ่ม ภาวนาแล้วก็ลวกหลับไปเลยอั น, นอย่างนี้ใช่การทำสมาธิไหมคะเออทำไปเถอะดีแล้วทำไปเอาไ อ, อ้คนเนี้ยอหนูเนี้ยทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยเออเมอตับถูกเห็นไหมเมอบ่อยไม่ดีนะพอเมอเมอเนี่ยมันจะไปเป็นภูมิของเดราัชานนะต้องระวังนะถ้าเรา เคยชินที่จะใจลอยเคยชินที่จะใจลอยเคยชินกับโมห ะ, ะตายไปจะได้เป็นสัตว์นะเพราะสัตว์เนี่ยไปด้วยภูมิของโมหะเดถ้าคนไหนขี้มโมโหก็ตายแล้วตกนรกก็เป็นภูมิของโทสะคนไหนขี้โลภนะอยากโน่นอยากนี่ไปเรยก็ได้เป็นเปรตเนี่ยเราก็เลือกอนาะคตของตัวเองงั้นอย่าเมื่อบ่อยนะอย่าเมื่อนา น, านไม่ใช่อย่าเมื่อบ่อยเพื่อทำหลวงพ่ อ, อย่างหนึ่งว่า ตันูนี่ไม่รู้ว่าหนูนัดดูกายหรือว่าดูจิตเหรอคะดูรู้ไหมกําลังสงสัยอยู่อะรูค่ะแต่รู้ไปเลยแล้วนะเราก็ชอบคิดเยอะเหมือนกันนะดูดูจิตใจไปแต่ว่าเอากายมาช่วยด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องดูอันเดียวนะมันรู้สึกว่าบางทีบางทีจิแตแไปละคือดูจิตปุ๊บแล้วนี้พอกายขยับก็รู้ไปดูกายต่อก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วใช่ใชเออ สายกายสายจิตอะไรพวกเนี้ยมันเอาไว้ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองถ้าเรารู้กายถูกต้องเราก็เกิดสติรู้จิตถูกต้องก็เกิดสติแต่เมื่อเกิดสติแล้วบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตเลือกไม่ได้เออมันอย่างนั้นแหละคุณเอดดี้ทาอะไรคุณเอดดี้เมื่อกี้นี้ทําอะไรทราบไหม๋ยวไปกดมันนิ่งๆนะ อย่าไปทําใจให้นิ่งๆไว้มันยังคมไหมใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันอย่ง เ, เก็นไหมใจเมืเ่อกี้มันดับแว บ, บตงไปนิดหนึ่งมันแรล้งไปนิดแล้วจิตมันลงรวงังมันลงเป็นช่วงๆนะจิตจะขึ้นมารับอารมณ์แล้วก็ลงไปลงรวงังแรล้งหายไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่จิตค่อยเกิดดับไปเรืย บูชาครับที่แล้วที่รายงานพว่ามันเบื่อมากตอนนี้ก็นั่งดูมันจะเบื่อเบื่ออยากอากนะครับอืก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆมันก็อยู่กับโลกก็อย่างนั้นแหละบูชาเบื่อเบื่ออยากอยากนะถ้ามันเบื่อลูกเดียวมันคงหลุดพ้นไปแล้วล่ะก็เลยนั่งดูความเบื่ออยากสลับกันตอนนี้มันก็สั้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยบูชาดูไปให้เห็นความริงจิตจะเบื่อห้ามมันไม่ได้จิตจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้จิตไม่เที่ยงดูออกไหม เป็นไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากแล้วจะเบื่อหรือจะอยากก็เลือกไม่ได้เป็นอนัตตาอนะีกแก้วนีจากข้างหน้าไปนั่งตัวโน้นไมโครโฟนจะไปถึงแก้วอีกรอบแล้วน<ม>ึกออกไหมเมื่อกี้หลืบตัวเองไปแบบหนึ่งนะปวดสนใจไม่เป็นไรรู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นนะถ้าใจเราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นใจจะทุกข์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 เพราะนะคะตอนแรกๆจะหลงทั้งวันนะคะแล้วก็วก็ก็เข ก, ก็เป็นทุกข์ที่มีสติได้ไม่ไม่บ่อยหลังๆทุกขบ่อยก็เลยไม่เอาอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ใจลอยแล้วใจลอยไปแล้วทราบไหมทราก็ปล่อมันไปอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยตามยะถากรรมนะ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 เราสู้เพื่อตัวของเราเองถ้าเราไม่สู้เราจะจมความทุกข์ไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าตอนเข้ามานั่งะคะ่ะพอฟังฟังหลวงพ่อสอนทนอื่นเนี่ยค่ะคือมันก็รู้ความรู้สึกคือใจยังติดเพ่งติดเกรงอะคะ่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ตื่นแต่ของใหม่เข้ามาใกล้ๆๆเลยเออๆก็กเสรู้ถูกต้องแล้ว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 เอส่งไปข้างหลังบ้างข้างหลังกํลาลังนั่งสบายใจเพราะนึกว่าอีกนานก็จะมาเป็นยังไงอืมไม่มีไม่เป็นดีแล้วรู้สึกไม่ใจเรามันเหมือนมันตื่นขึ้นมามันเหมือนเราตื่นขึ้นมาคนในโลกนี้ไม่ตื่นนะคนในโลกจะหลับหลับฝันฝันทั้งวันอะ่ะไม่มีคนตื่นหรอกค่อยๆฟังธรรมะปล่ ใ, ใจอย่าค่อยๆตื่นขึ้นมา อากถว่าตอนหลับนะคะเราจะไม่มีจิตอะไรที่จะมาจับอยู่กับตัวเราหรื อ, อะไรที่เดี๋ยวพ่อไม่ได้ยินะต้องพูดใกล้ๆใหม่เลยอ๋ออยากจะทราบว่าตอนหลับนะคะเราจะไม่มีตัวจิตเราหรืออะไรที่ที่อยู่กับเราจิตนะ่ามีอยู่เรื่อยๆแต่เ้าเรียกว่ารวังขจิตเวลาหลับจริงๆนะจิตจะไม่ขึ้นมารับรู้าอารมณ์ใหม่ๆ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 ผมไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเราไม่ควรไปบังคับไว้เนี่ยนะครับบางทีรู้สึกว่าปล่อยตัวให้คิดไปเนี่ยพอ ร, รู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะคิดต่อแล้วคราวนี้มันจะคิดยาวแล้วก็ต้องปล่อยให้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้ปล่อยตันยะถา ก, กรรมหรอกับทุกวันเราต้องซ้อมที่หลวงพ่อเ็ยพูดเรื่อยๆจําได้ไหมทุกวันอย่าลืมนะ้ำไปไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมหัดรู้สภาวะครับถ้าเราทําเหตุตรงเนี้ย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 ถ้ารู้ทันแล้วมีความสุขเบิกบานนี่รู้จริงรแล้วที่คือผมไม่ได้ใจว่าก็ผมว่ถ้าเกิดว่าเราไปปล่อยให้หลงมากเนี่ยมันจะไปเป็นภูมิของของสับใช่ไหมครับใช่มันก็เจะทําให้ค่อนข้างกังวลว่าก็าา จ, ะจะไปบังคับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมทําเหตุให้เกิดสตดิในการซ้อมดูสภาวะเรื่อยๆแล้วมันจะไม่หลงนานสติจะเกิดบ่อยก็ท<ำ>ําเกตุของมันนะไม่ใช่ว่าไปห้ามหลงนะ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 จิตที่เป็นกุศลแ ล, ล้วกุศลก็วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิน้นนี่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้อีกหนึงนะครับแค่แค่เราปล่อยสมมติเราหลงคิดไปแล้วเราเลื่จิตตัวแต่ว่าเราไม่เราไม่เห็นว่าเรายินดียินร้ายกับมันก็ไม่อันนั้นคือให้รู้ว่าคิดแล้วมันหยุดคืออย่างนั้นได้ไหมครับถ้า <c oughs> รู้ไปมันคิดบ้างหยุดบ้างครับนะมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเฉยเฉยบ้างเท่าที่รู้ได้เท่าที่รู้ได้ครับ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 จิตนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ฝึกอย่างเนี้ยฝึกรู้บ่อยๆในที่สุดสติกะเกิดบ่อยนั่นอยู่ๆเราจะไปสั่งสติให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาต้องทาเห ต, ตุเหตุก็คือจิตจําสภาวะได้จิตจําสภาวะได้เพราะว่าหัดดูบ่อยๆเ อ, อเวลาจิตมันจะรวมเนี่ย ในชาติาเราเราจะต้องตั้งตั้งจิตยังไงหรือว่าต้องคอยรู้อย่างเดียวคอยตามรู้ไปนะจิตจะรวมอยากฝืนนะถ้าฝืนเราปวดหัวพาจะรวมเราก็มีสติไม่ขาดสติไม่รวมแล้วเราหายไปจากโลกเลยเวลาที่จิตรวมรวมนิ่มๆ น, นะด้วยความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวเสร็จแล้วจิตไปสว่างอยู่ข้างหนแล้วก็ทรงตัวอยู่ยงั้นทรงตัวอยู่นานพอสมควรแนละ้วจิตเขาถอนขึ้นเอง ต้องให้ถอนเองด้วยนะอย่าถอนขึ้นมาถ้าจงใจดึงขึ้นมาจะปวดหัว อ, อ, อย่างหนึ่งเวลาที่มันทำมันไหลเนี่ยเราจะทำยังไงหลวงพอฟังไหมบอกว่าทามันไหลอยู่เรื่อยๆเหมือนมีอะไรไหลอ ย, อยู่ตัวเราเราจะต้องนิ่งๆหรือว่าดูไปเรื่อยๆอะไรล่ะที่โยมว่มาธรรมะมันไหล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 ได้อีกคนสองคนนะอยากถามว่าเวลาเวลาขับรถอะไรเงี้ยชอบฟังวิทยุอะไรเงีเ้ยเปลีนมาฟังซีดีหลวงพ่อไป <laughs> <laughs> แล้วทีนี้แบบว่าเวลาปฏิบัติที่บ้านอะไรเงี้ยเดินจงกรมรู้สึกว่ามันมันเครียดมันสงสัยแล้วก็ก็เลยหยุดเดินยืนเฉยๆแล้วว่าดูจิตเออมันก็เครียดก็เลย น, นันแหละไปนั่งรถบ่อยๆแล้วฟังซีดีหลวงพ่อนะบัลลังก็หายหลวงพ่อตอไว้หมดละนี่ฮะแจ็ตเห็นไหมได้อีกละตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองตอนส่งใหม่ลืมตัวเองน่าแจ็ตว่าไงครับก็ตอนนี้่าการแทรกแซงสภาวะที่ที่เวลาเราเรียนรู้สภาวะใช่ไหมครับแล้วพอเรารู้สึกถึงสภาวะว่ามีสภาวะเกิดขึ้นเนี่ย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 ทรงอยู่นี้มีแต่ความสุขล้วนๆมันจะรู้สึกอย่างนี้ครับทาต่อไปได้ข้างหลังนั่นะ่ะทรงกันบ้านนานๆมาตีเวลาที่ที่รู้สึกตัวค่ะมันจะเหมือนรู้แต่ความทุกข์อะค่ะเวลาที่ทุกข์มากๆถึงจะรู้สึกตัวค่ะเรอเหมือนเหมือนไม่เคยเจอความสุขอ่ะค่ะแต่รู้ว่ามันมีความสุขเนี่ยแต่เวลามีความสุขมันเคลิ้มไปหรือเปล่าคะ มันไม่เหมือนไม่รู้เลยว่ากมันสุขอยู่ใช่อย่างนี้มันหลงไปพอเวลามีความสุขแล้วมันเผลอเผลนเผลอเผลนเรื่องนันที่ราคะพวกเทวดาเลยภาวนายากเทวดามันเพลินเพลินแต่ภูมิมนุษย์นี่ดีนะสุขบ้างทุกบ้างภาวนาง่ายแล้วเวลาที่รู้ตัวเนี่ยวันไหนที่รู้ตัวได้เนี่ยมันจะมันจะรู้ได้ติดๆดกันเหมือนมันแวบแวบเวบวบเร็วมากนแบบคนทางเนี้ยเนี่ยเบออะไรเนี้ย เขาเป็นอย่างนั้นเลยถูกต้องแล้วก็สงสัยอะไรไปถามแจ็คนะ <c oughs> อ๋คนนี้ได้แค่นี้เนาะ <c oughs> หมดแรงแล้วเชิญโยมกลับบ้านไปเหนื่อยทำไมไม่กระจายไปวัดอื่นบ้าง <c oughs>